สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำของศาสนาจารย์ฟิลิปเทงเราอยู่ในกฎข้อที่6ซึ่งเป็นกฎแห่งการรับใช้ครับและประเด็นที่ 11-12 ในเช้าวันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในกฎของการรับใช้พระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในวิวรบทที่3มข้อที่1 วิวรณบทที่3ข้อที่1โปรดฟังพจนะของพระเจ้าจงเขียนถึงทุสวรรค์แห่งคริสจักรซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจของพระเจ้าและทรงมีดาราเจ็ดดวงนั้นได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าเรารู้แนวทางการกระทำของเจ้าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายแล้วพี่นตนครับกฎข้อที่6 ประเด็นที่11ก็คือเราต้องคิดว่าตัวบุคคลสำคัญกว่าตัวกิจกรรมพูดง่ายก็คือว่าคนสาคัญกว่ากิจกรรมคนสาคัญกว่างานมีคิจักรมากมายนะครับที่ทำงานมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดขีิจักรเหล่านั้นเข้าใจว่าสร้างกิจกรรมยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากก็ยิ่งประสบความสำเร็จขี้จักรก็จะเจริญรุ่งเรือง เป็นตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของคริสจักรแต่ในคริสจักรนั้นขาดการเอาใจใส่คนครับขาดการดูแลคนขาดการสร้างคนในที่สุดคริสจักรนั้นก็มีแต่รายการมากกว่าคุณภาพคุณภาพทแท้ๆฝ่ายจิตวิญญาณไม่มีครับมีแต่รายการมีแต่งานอีเวนต์ อันนี้ตรงตามที่พระเยซูองค์พระเเจ้าตรัสว่าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แท้จริงเจ้าได้ตายเสียแล้วสิ่งที่พระเยซูทรงโปรดปรานนั้นไม่ใช่รับใช้แบบไม้หญ้าแห้งฟางแต่ต้องการการก่อขึ้นด้วยทองคําเงินและเพชรพลอยครับเพราะว่าการงานทั้งหมดทุกอย่างนั้นจะถูกทดสอบหรือถูกทสอด้วยไฟ การถูกไฟเผาไม่หมดถ้าเป็นหญ้าแห้งฟางแล้วก็ไม่มีเหลือครับไม้หญ้าแห้งฟางนั้นเป็นวัสดุที่เผาได้ไม่ได้เป็นวัสดุที่ติดไฟครับในที่สุดคนทํางานก็จะรับความอับอายเสียหายแต่ส่วนที่เป็นคุณภาพแท้ๆครับทองคําเงินเพชรพลอยก็จะคงอยู่ทนนานและรับรางวัลชีวิต ในหนึ่งโครินบที่3ข้อ14ผู้ชัดเจนครับถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไม่ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือ น, นดังรอดจากไฟพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคอขาดบาดตายพอสมควรนะครับเพราะว่าชี้เป็นชี้ตายครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะได้รับบำเหน็จหรือเปล่า ได้รับรางวัลหรือเปล่าคงทนหรือเปล่ามีความหมายจริงๆหรือเปล่าทําให้เรี่ยวแรงที่เราเสียไปสิ่งที่เราอุทิศสิ่งที่เราพยายามที่จะทําเพื่อองค์พระขุนเจ้านั้นจะเสียไปจะคงอยู่หรืออย่างไรนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราทัา้งเราทั้งหลายน่าจะไข่กรวนให้ดีพี่น้องครับคนสำคัญกว่ากิจการ คนสําคัญกว่ากิจกรรมคนสําคัญกว่างานครับการสร้างคนนั้นมีความสําคัญมากการดูแลเอาใจใส่คนนั้นมีความสําคัญมากมากกว่ากิจกรรมใดๆเมืองซาดิสเองนะครับเคยประสบแผ่นดินไหวบ้านช่องมากมายพังทลายพระเยซูองค์ผู้เปนเจ้าใช้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเตือนสติคริสเตียนผู้เชื่อทั้งหลายที่เมืองซาดิส ว่าให้เขาเอาใจใส่ยึดมั่นในรากฐานแห่งความเชื่อเป้าหมายของการรับใช้คือการสร้างผลงานที่คงทนครับผลงานที่คงอยู่ได้ผลงานที่เมื่อถูกไฟเผาก็จะอยู่ได้จุดสาคัญอยู่ที่คุณภาพครับไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณพี่น้องครับจุดสาคัญนี่อยู่ที่คุณภาพไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณเราคงจำได้นะครับ เวลาที่พระเจ้านั้นได้ปรากฏนิมิตให้กับกษัตริย์เบลชัสซาในพระธรรมดนเนียลนะครับก็เป็นนิมิตเดียวกันกันกบที่ทรงปรากฏให้โปร่งเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าเขียนด้วยโปรง่งเองว่าเคเคหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกอย่างนั้นจะต้องถูกนํามาช่างในตราชู ทุกอย่างจะต้องถูกนำมาชั่งในตาชูแล้วทรงเห็นว่าท่านยังขาดอยู่ยังเบาอยู่ปรากฏอยู่ในพระธรรมดานเนลลบทที่5ข้อที่27ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเห็นถึงสภาพที่แท้จริงของการรับใช้พระเจ้าว่ามีเช็คเค้ลหรือเปล่าเป้าหมายของการรับใช้อยู่ที่การสร้างกิจกรรมมากมายหรือ หรืออยู่ที่จิตวิญญาณได้รับการดูแลการเอาใจใส่การถูกสร้างขึ้นได้รับการอารักขาด้วยการอธิษฐานได้รับความเอาใจใส่ในฐานะนพี่เลี้ยงดูแลจิตวิญญาณนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเรื่องราวของการหนักตาช่างหรือว่าการเบาตาช่างการงานของทุกคนจะพิสูจน์ได้ด้วยไฟ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะให้ความสําคัญของการดูแลคนการสร้างชีวิตของคนการเอาใจใส่การเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าการสร้างสาวกให้เป็นสาวกแท้ของพระเจ้านั้นสําคัญมากกว่ากิจกรรมใดๆประการที่12ครับปรากฏอยู่ในพระธรรมสองทิโมธีบทที่1ข้อที่5พระธรรมสองทิโมธีบทที่1ข้อที่ห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 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมัรดาของท่านในบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านพี่น้องครับเราจะเห็นประเด็นที่12ของกฎของการรับใช้กฎที่6นี้ก็คือเป้าหมายที่เป็นระยะยาวก็สำคัญกว่าเป้าหมายระยะสั้นผู้สันส้นๆครับก็คือว่าเป้าระยะยาวสำคัญกว่าเป้าระยะสั้น ความเชื่อของคริสเตียนนั้นได้ส่งผ่านทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงเราทุกวันนี้ยุคต่อยุคครับก็มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งเป็นสิ่งที่จะละเลยและมองข้ามไม่ได้ครับสิ่งที่ละเลยและมองข้ามไม่ได้สิ่งนั้นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างบุคลากรเอาใจใส่สั่งสอนคนรุ่นหลังครับลูกหลานของเรา พี่น้องครับแท้จริงนโ ย, ยบายหรือแผนงานที่สําคัญขององค์พระบิดาเจ้าที่สุดก็คือการประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกซึ่งเป็นภารกิจหลักของคริสตจักรการสร้างบุคลาก ร, กรไม่ง่ายครับการสั่งสอนคนรุ่นหลังให้รับไม้ส่งทอดต่อความเชื่อความศรัทธาที่มาจากคนรุ่นก่อนๆ ก, ก็ไม่ง่าย แท้จริงนโยบายหรือที่เียว่าแผนงานที่สำคัญก็คือสามีภรรยาที่เป็นคริสเตียนจะต้องพาลูกหลานมาถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกๆ25ปีคริสเตียนก็ควรจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวใช่ไหมครับเพราะว่าสองคนมีลูกหนึ่งคนก็จะเพิ่มปูนเพิ่มปูนเพิ่มปูนแต่แท้จริงมันเพิ่มหรือเปล่าครับไม่ได้เพิ่มใช่ไหมครับ พี่น้องครับการทํางานกับชนรุ่นหลังนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาวของคดิศจักรมีคริศจักรมากมายเสียหายเพราะละเลยข้อเท็จจริงนี้วิญญาณจิตของลูกหลานนั้นหลงหายไปครับทําให้เกิดการเสียหายเขามุ่งทํางานกับวัยกลางคนจนเกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่มากคือไม่ได้ลงทุนลงแรงกับอนุชนหรือยุวชนหรือแม้กระทั่ง รุ่นหรือวัยเตาะแตะพี่น้องครับนี่คือความสายตาสั้นฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของคริสตจักรและผู้นำคริสตจักรถ้าเราดูมุมมองนี้นะครับด้านละวีศึกษาของเด็กเนี่ยนะครับหรือด้านอนุชนยุวชนพานกิจต่างต่างเหล่านี้เป็นชีพจรที่สำคัญของคริสตจักรครับเป็นหัวใจของคริสตจักรเลยทีเดียวการประกาศเลี่ยงดูร้างสาวกจะต้องถูกทุ่มเทลงไป อยู่ในยุชนอนุชนบรรดาผู้ที่มีอายุน้อยน้อยคิจักรที่ได้ทุ่มเทใส่ใจในภัรกิจเหล่านี้ก็จะได้รับการพัฒนาที่ดีมากถ้าไม่ใส่ใจคิดจักรจะหดหู่ถดถอยครับพี่น้องครับนี่คือยุทธศาสตร์ฝ่ายวิญญาณยุทธวิธีของสวรรค์คิจจักรจะต้องลงทุนให้มากในภัรกิจของอนุชนยุชนพันกิจเด็กพักิจละวีวารศึกษา ดนรงให้พี่น้องทั้งหมดในครฤหจักรนั้นพาลูกพาหลานมามีทัศนคติตั้งไม้เซตที่ถูกต้องครับเพื่อที่จะได้อยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าเป็นการเพิ่มพูนบุคลากรเป็นการเพิ่มพูนเพิ่มพูนคุณภาพของคริฤหจกักรเพียงครับในที่สุดเราก็จะสามารถเ ก, เก็บเกี่ยวได้อย่างคุ้มค่าเราสามารถที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าเราสามารถที่จะมีคฤหจักรที่ถวายเกียรติถวายการรับใช้แด่พระเจ้าสูงสุด นั่นคือเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญที่สุดมาถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้นะครับผมอยากจะเสนอแนะสรุปรวบยอดว่าการรับใช้นั้นเป็นสิ่งที่มาจากสวรรค์ครับเป็นสิทธิพิเศษนับเป็นเกียรติอันสูงสุดที่เราทั้งหลายได้ร่วมรับใช้พระเจ้าในแง่หนึง่งการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นจิตอาสาครับ แต่ในแง่หนึง่งการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นสำหรับคริสเตียนแท้คริสเตียนที่บังเกิดใหม่คริสเตียนที่รับพระคุณของพระเจ้าคริสเตียนที่สานึกในความรักตระหนักว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นมีมากมายเหลือเกินการรับใช้นั้นเป็นการตอบแทนครับเป็นการตอบแทนบุญคุณ ตอบแทนพระคุณของพระเจ้าที่มีมาอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นยิ่งรับใช้ยิ่งหวานชื่นครับยิ่งรับใช้ยิ่งอยากรับใช้มากขึ้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายิ่งรับใช้แล้วเราไม่อยากรับใช้หรือเรายิ่งรับใช้แล้วยิ่งขมคืนพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้า ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทดลองเราให้เราเลือกเลือกรับใช้ในสิ่งที่จะเป็นของยั่งยืนทนทานครับเลือกรับใช้ในสิ่งที่จะเป็นทองคําเงินและเพชรพลอยเมื่อเป็นทองคําเงินเพชรพลอยมันก็จะไม่ไม่ไฟครับมันจะทนไฟได้จนถึงสุดท้ายจนถึงบำเห น, น็จที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน